ตอนผมยังเด็กๆที่บ้านมีสารพระภูมิที่ริมด้านหนึ่งของรั้วบ้านคนแต่ก่อนเขาเชื่อกันว่าพระภูมิเป็นผีบ้านผีเรือนที่คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขเวลามีงานทำบุญนอกจากเราจะต้องจัดอาหารใส่สำรับเล็กๆเพื่อไปถวายพระพุทธรูปแล้วคุณแม่จะจัดอาหารข้าวหวานใส่ถาดเล็กๆเพื่อที่จะไปไหว้พระภูมิที่สารเหมือนนกับที่จัดสหรับอาหารถวายข้าวพระพุธเมื่อถวายข้าวพระพุธเสร็จพิธีการแล้ว ผู้ใหญ่มักใช้ให้ผมเป็นคนไปเก็บถาดอาหารซึ่งเรียกกันว่าไปลาข้าวพระคุณยายเคยสอนว่าเมื่อจะเก็บถาดอาหารให้ยกมือไหว้แล้วกล่าวคําลาว่าเสสังมังคังยาจามิข้าวสุกถ้วยเล็กๆในถาดอาหารที่ถวายข้าวพระนั้นเมื่อลามาแล้วยายบอกว่ากินแล้วสมองดีเรียนหนังสือเก่งผมจึงกินทุกครั้งอาจจะจริงของยายตอนเด็กๆนี่ผมสอบได้ที่หนึ่งหรือที่สองของชั้นเรียนเสมอมา คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนแม่ยังเป็นเด็กบ้านของทวดผมซึ่งเป็นปู่ของแม่อยู่แถวรองเมืองซอยสที่นั่นพระภูมิเจ้าที่แรงตอนสงครามโลกครั้งที่สองแถวแถวนั้นเป็นจุดที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดบ่อยครั้งบ้านแถวนั้นจึงโดนระเบิดกันหลายหลังแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกที่บ้านของทวดแคล้วคลาดมาได้ทุกครั้งจนวันนึงสงครามเกือบจะเลิกแล้วตาของผมคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของตา เกิดโมโหอะไรก็จําไม่ได้เกิดอารมณ์ร้อนประสานเด็กวัยหนุ่มเอาก้อนหินทุบสารพระภูมิเสพังเป็นเศษอิฐเศษปูนคืนนั้นเครื่องบินมาทิ้งระเบิดถูกบ้านทวดเข้าเต็มที่เกิดไฟไหม้วอดหมดทั้งหลังแม่ผมก็เลยเชื่อว่าเป็นเพราะว่าตาเนี่ยไปทําไม่ดีกับท่านก่อนพระภูมิเจ้าที่ท่านจึงไม่อยู่คอยรักษาบ้านให้แม่ผมนับถือพระภูมินักถึงวันพระหรือว่าวันสําคัญคุณแม่จะจัดดอกไม้ไปไหว้บูชาสารพระภูมิที่บ้านเราเสมอ ผมไม่เคยเห็นพ่อไหว้สารพระภูมิเลยเราเป็นชาวพุทธไปกราบไหว้สารพระภูมิทำไมกันพ่อชอบพูดแบบนี้พ่อบอกว่ า, าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนนับถือผีเราเป็นพุทธเราต้องไหว้พระแต่พ่อก็ไม่เคยขัดใจแม่ที่กราบไหว้สารพระภูมิยังคงเห็นว่าเป็นความเชื่อของแม่สารพระภูมิที่บ้านเราจะมีดอกไม้บูชาอยู่เสมอผมเองก็เคยปีนขึ้นไปชะโงกดูด้วยความอยากรู้ว่าในสารเล็กๆจะมีอะไรอยู่ข้างใน เห็นมีแผ่นไม้ยาวสักหนึ่งคืบวาดเป็นรูปเหมือนเทวดายืนอย่างที่ผมเคยเห็นตามประตูโบสถ์วางพิงกับผนังด้านในของศาลเมื่อโตขึ้นจึงได้รู้ว่าแผ่นไม้นี้เขาเรียกว่าเจวดผมเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่ากันว่าถ้าบูชาผีเรือนดีๆนอกจากจะช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วผีเรือนจะเข้มแข็งสามารถปกป้องคุ้มครองไม่ให้ผีอื่นๆจากนอกบ้านนี้เข้ามาอยู่ในบ้านได้ผมเคยถามคุณยายว่า ผีจากข้างนอกจะเข้ามาในบ้านของคนทําไมก็ได้รับคําตอบว่าวิญญาณเร่ร่อนที่ยังไม่ได้ไปเกิดหาที่อยู่ไม่ได้มักจะออกมาหาที่อยู่ใหม่ถ้ามาอยู่ในบ้านเราก็ไม่ดีอาจให้โทษเจ้าของบ้านผมฟังแล้วก็กลัวตามประสาเด็กๆเกพื่อนผมคนนึงเล่า ว, ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วที่บ้านของเขาซึ่งอยู่ในสวนฝั่งทนเจ้าที่อยู่แรงมากวันหนึ่งมีขโมยแอบอยู่นอกรั้วหาจังหวะเข้าลักข้าวของ พอตกดึกพวกขโมยเห็นคนแก่ใส่เสื้อกุยเฮงตัวสูงใหญ่เดินไปเดินมาอยู่ในเขตรั้วบ้านทั้งทั้งที่บ้านของเขาเองก็ไม่ได้มีคนแก่พวกขโมยก็คอยอยู่ตลอดคืนก็เข้ามาขโมยของไม่ได้ต่อมาพวกนั้นก็ไปพูดปากต่อปากจนมาเข้าหูเพื่อนผมนะับเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึง่งผมมีเรื่องซึ่งประสบมาด้วยตนเองอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งในชีวิต ตอนเริ่มเข้ารับราชการใหม่ๆผมเองรู้สึกอึดอัดกับการต้องเข้ามาอยู่กรุงเทพเพราะว่ายังไม่ชินกับชีวิตในเมืองหลวงที่สับสนแล้วก็วุ่นวายพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องหาโอกาสกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรีเสมอต่อมาผมไปปลูกบ้านเล็กๆไว้ในไร่ที่ดินแปลงนี้เป็นไร่เก่าของบ้านเราห่างจากตัวอำเภอราว30กิโลเมตรอยู่ริมถนนมิตรภาพ ตอนผมเด็กๆบ้านของเราเคยปลูกพืชไร่ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดแล้วก็พืชสวนอื่นๆเป็นรายได้เสริมของคุณพ่อซึ่งเป็นข้าราชการที่มีลูกหลายคนที่ไร่ตรงนั้นอยู่ห่างจากถนนใหญ่ไม่กี่สิบเมตรเป็นบริเวณที่โอบไปด้วยภูเขามีลำธารสายเล็กๆไหลผ่านตอนผมเล็กๆ เ, เ, เวลาพ่อไปไร่เป็นเวลาที่พวกเราพี่ๆน้องๆสนุกสนานกันมาก คุณแม่จะเตรียมอาหารไปจากบ้านของเราในตัวอำเภอใส่ปิ่นโตเท้าใหญ่เอาไปกินกันริมลำธารร้อนเข้าก็ลงเล่นน้ำที่ไรของเรามีมะม่วงหลายสิบต้นมะม่วงมันที่ไรของเราหวานกรอบอร่อยมากพ่อจะเก็บมันตอนแก่จัดจนหัวมีสีเหลืองอ่อนๆพอปิดเทอมทีไรผมก็เลยชอบที่จะรบเร้าให้พ่อพาไปไร่ต่อมาพ่อก็ยกที่ดินแปลงนี้ให้ผมคงเป็นเพราะเห็นว่าผมชอบที่นั่นมาก ผมก็เลยปลูกบ้านหลังเล็กๆด้วยไม้ที่รื้อจากบ้านหลังเก่าของเราที่อำเภอบ้านหลังที่ไร่นี้ผมปลูกริมลำธารใต้ต้นมะเดื่อใหญ่ขนาด 2- อสาคนโอบมะเดื่อต้นนี้จะมีอายุกี่ปีก็ไม่รู้ผมจำได้ว่าเห็นครั้งแรกก็ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กลำต้นใหญ่มากกิ่งใบครึ้มด้านหลังเป็นทุ่งกว้างเห็นภูเขาด้านหน้าของบ้านไร่ถัดจากต้นมะเดื่อไปเป็นสวนมะม่วงต่อจากตรงนั้นก็คือถนนสายเล็กๆ ที่เป็นถนนดินขนานกับถนนมิตรภาพคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นเส้นทางเกวียนก่อนที่ถนนมิตรภาพจะสร้างเสร็จทางเกวียนเล็กๆนี้เป็นเส้นทางของผู้คนในสมัยก่อนที่จะติดต่อค้าขายกับหัวเมืองด้านอีสานตัดผ่านดงพญายเย็นไปโคราชแล้วก็ต่อไปยังเมืองอื่นๆเพื่อนๆที่สนิทกันหลายคนที่กรุงเทพไปเที่ยวบ้านไร่แล้วก็ติดใจกันมากเพราะว่าเงียบสงบดีลมพัดเย็นสบาย พอหน้าหนาวอากาศเย็นก็เย็นมากขึ้นเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กันกับป่าแล้วก็ภูเขาบ้านไร่หลังเล็กๆหลังนี้ของผมจึงมีเพื่อนๆจากกรุงเทพที่ตามมาเที่ยวในวันหยุดกันอยู่บ่อยๆตรงมุมรั้วด้านหน้ามีศาลพระภูมิเก่าๆทําทด้วยไม้ซึ่งผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เ, เวลาไปไร่ที่ตรงนั้นเดิมเป็นบ้านของคนงานเฝ้าไร่คนเก่าสมัยพ่อผมยังทําไร่ตอนหลังคนงานคนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านตรงนั้นก็เลยถูกเ อ, อื้อ เมื่อหลายปีมาแล้วแต่ว่าสารเล็กๆนั้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมตอนผมไปปลูกบ้านผมก็ยังคงเห็นสารเก่าโย้เย่เกือบจะลม้มตัวสารที่เป็นไม้ผุจนเกือบจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆผมก็เลยให้ช่างไม้ที่สร้างบ้านซ่อมแซมสารนี้ใหม่เมื่อทำเสร็จผมก็เอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้นึกในใจว่าพระผุมเจ้าที่จะมีจริงหรือไม่ผมก็ไม่รู้แต่ถ้ามีจริงๆก็ขอให้เวลาผมมาพักผ่อนที่บ้านไร่เนี่ยจงอยู่อย่างสุขสบาย ไม่มีเรื่องราวเดือดร้อนอะไรถนนมิตรภาพช่วงที่เลยะไรผมไปสักครึ่งกิโลเมตรเป็นจุดที่อันตรายแห่งหนึ่งของเส้นทางจากสระบุรีไปยังอำเภอม่วกเกล็กเพราะว่าเป็นทางลงเขาแล้วก็ยังเป็นโค้งหักข้อศอกรถที่ขับมาเร็วๆทําให้ชินทางแหกโค้งกันมานักต่อนักตรงนั้นก็เลยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆส่วนมากจะเกิดในเวลากลางคืนเนื่องจากว่ารถที่ขับมาจากอำเภอม่วกเหล็กเข้ากรุงเทพมักจะมองไม่เห็น พวกรถที่ใช้เส้นทางนี้บ่อยๆรู้กันดีพอมาถึงตรงนั้นก็จะชะลอความเร็วแถวนั้นไม่มีบ้านคนพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มักจะมีคนเสียชีวิตเพราะว่าห่างจากโรงพยาบาลที่จังหวัดมากบ้านที่ใกล้กับโค้งนั้นมากที่สุดก็อยู่ห่างไปเกือบ2กิโลเมตรบ้านไร่ของผมเองปลูกอยู่ใต้ต้นมะเดื่อป่าชานบ้านก็จะอยู่ที่ใต้ต้นพอดีจากตรงนี้มองออกไปเห็นรั้วเขตไร่ซึ่งอยู่ห่างจากที่นั่นเพียงไม่กี่เมตร แต่ว่าคนที่มองเข้ามาจากนอกรัว้วถ้าไม่สังเกตดีๆจะมองไม่เห็นบ้านนี้เพราะว่าถูกบังด้วยแมกไม้รกครึมต้นมะเดื่อป่าต้นนี้ออกลูกสีแดงเป็นพวงตลอดปีลูกไม่เดื่อเป็นผลไม้ป่าที่แปลกออกลูกจากต้นแล้วก็กิ่งนะนาะแทนที่จะออกมาจากก้านเหมือนผลไม้อื่นๆลูกไม่เดื่อป่ามีสีแดงน่ากินแต่กลับกินไม่ได้ผมเคยหยิบมาบิดดูลูกทุกลูกจะมีหนอนอยู่ข้างใน ทั้งที่ดูเปลือกข้างนอกไม่เห็นมีรูที่หนอนเจาะเลยสักลูกเดียวตอนกลางคืนก็จะมีค้างคาวบินมากินลูกมะเดื่อเป็นฝูงผมนอนอยู่ในบ้านยังได้ยินเสียงปีกมันดังผับผับแล้วก็เสียงลูกมะเดื่อที่หลน่นลงพื้นตอนเช้าๆก็จะมีพวกกระรอกและก็นกป่าหลายชนิดพากันมากินตรงนอกชานใต้ต้นไม้นั่นเองก็เลยเป็นที่ชมธรรมชาติได้เป็นอย่างดีและก็ไม่ร้อนตลอดทั้งวันเพราะว่าแสงแดดส่องไม่ถึง ผมชอบออกมานั่งเล่นตรงนี้อ่านหนังสือบ้างนอนเล่นบ้างหน้าร้อนบางทีก็ปูเสื่อนอนตรงนอกชาญเย็นสบายวันหนึ่งมีเพื่อนจากกรุงเทพตามไปเที่ยวที่ไร้ด้วยสองคนพอตกเย็นพวกเราก็ตั้งวงกินข้าวกินเหล้ากันเฮฮากันอยู่นอกชาญพอค่ำลงพวกเราก็ชักมึนๆเหล้าฝรั่งที่หิ้วไปจากกรุงเทพหมดไปแล้วหนึ่งขวดเต็มๆ กินเหล้าในป่าแบบนี้ไม่ต้องมีโซดามีเพียงน้ำแข็งที่เราใส่กระติกใบใหญ่ไปด้วยอาหารการกินเราก็ซื้อเข้าไปจากตัวอำเภอเจ้าแทนคนงานที่เฝ้าไร่ของผมเนี่ยมีฝีมือเรื่องในการทำอาหารมากโดยเฉพาะอาหารลูกทุ่งที่ไร่เนี่มีผักต่างๆที่ปลูกไว้เองเก็บมากินกันสดๆวันนั้นหลังจากอาหารเย็นพวกเราก็นั่งกินเหล้ากันต่อพอรู้สึกง่วงก็แยกย้ายกันไปนอน ผมให้เพื่อนสองคนนอนในห้องนอนผมส่วนตัวเองก็หอบมอนกับพ่อห่มมาปูเสื่อนอนอยู่ที่นอกชานตอนนั้นเป็นต้นหน้าหนาวราวเดือนพฤศจิกายนอากาศกำลังสบายผมนอนฟังเสียงริดริ่งเรไรในไร่ตอนกลางคืน น, น, นานๆก็มีเสียงลูกมาเดื่อต้นนั้นหล่นลงบนพื้นไม้กระดานตรงนอกชานอยู่ครู่หนึ่งก็หลับไป ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่ารู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำเห็นจะเป็นเพราะว่าเมื่อตอนหัวค่าดื่มมากไปสักหน่อยหนึ่งเสียงเพื่อนสองคนแข่งกันกรนดังอยู่ในห้องนอนที่ติดกับนอกชานที่ผมนอนตอนนั้นดึกมากแล้วมองไปทางกระท่อมของเจ้าแทนคนงานที่อยู่ถัดออกไปทางสวนมะม่วงก็มืดสนิทนึกจะลุกไปเข้าห้องน้าที่อยู่ติดๆกับห้องนอนที่เพื่อนสองคนกาลังหลับแต่ก็เปลี่ยนใจไม่อยากส่งเสียงดัง คิดว่าเดินไปจัดการกับตัวเองตรงต้นไม้ข้างบ้านก็ได้ผู้ชายนี่ดีไปอย่างตรงไหนก็ได้ตราบใดที่ไม่ประเจิดประเจิดแล้วก็ไม่สร้างมลภาวะให้กับชาวบ้านคืนนั้นเดือนหงายสว่างไปทางไรผมลงบันไดนอกชาญเดินไปที่คนต้นมะม่วงจัดการธุระส่วนตัวเสร็จ ขณะที่หันหลังจะกลับขึ้นไปนอนต่อผมได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังทุ่มเถียงกันอยู่ตรงนอกประตูรัว้วห่างจากตรงต้นมะม่วงที่ผมยืนอยู่ไม่มากนักก็นึกแปลกใจว่าเอ๊ะใครมาทะเลาะกันหน้าประตูรัว้วดึกดื่นป่านนี้ผมเดินไปหลบอยู่ข้างต้นมะม่วงมองออกไปทางนั้นจากแสงจันทร์ที่ส่องสว่างไปทั่วผมเห็นผู้ชายสองคนยืนอยู่นอกประตูรัว้วหันหน้ามาทางบ้านเรา แม้จะห่างไปหน่อยแต่ก็พอสังเกตได้ว่าคนหนึ่งผมยุ่งหน้าตาขมึงถึงเสื้อผ้าที่ใส่ก็ขาดรุ่งริง่งที่เห็นชัดคือแขนข้างหนึ่งขาดส่วนอีกคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มรูปร่าง ผ, มผอมๆผมสั้นใส่เสื้อที่ขาดกระรุ่งกระริง่ง ค, คล้ายๆ ก, กันยืนอยู่ข้างหลังผู้ชายคนนั้นผมเห็นชายอีกคนนึงยืนอยู่ด้านในของประตูรัว้วปกติประตูรัว้วจะตี๋ ที่ทำด้วยไม้ระแนงโปร่งๆนี้จะเปิดไว้ในตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนก็จะปิดงับไว้เท่านั้นไม่ได้ใส่กุญแจเพราะว่าประตูรั้วาตามไร่หรือว่าสวนที่ต่างจังหวัดไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันคนบุกรุกหรือขโมยแต่มีไว้เพื่อบอกคนข้างนอกให้รู้ว่าเป็นเขตที่มีคนอยู่ผู้ชายที่ยืนอยู่ในประตูสวมกางเกงขาวกลว้ยาวถึงแข้งแบบชาวไร่ทั่วไปเสื้อแขนสั้นผมมองไม่เห็นหน้าเพราะว่าหันหลังมาทางผม ผู้ชายคนนี้ถือไม้ตะพดในมือพวกแกเข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้คนถือตะพดขึ้นเสียงยกไม้ในมือขึ้นชี้หน้าชายแขนด้วนผงะไปหน่อยนึงแล้วก็พูดด้วยเสียงแสดงอาการนักเลงขออยู่ชั่วคราวดอกเว้ยถึงเวลาก็จะไปแกเดือดร้อนอะไรด้วยที่นี่ข้าดูแลใครจะเข้ามาไม่ได้ขืนเข้ามาได้ดูดีกันเสียงคนถือตะพดพูดสำทับขึ้นทําท่าทางเอาจริงเอาจังขยับไม้ในมือเออไปที่อื่นก็ได้ เสียงชายแขนด้วนอ่อนลงหันไปทางเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างหลังไปกันเถอะวะที่เนี่ยเขามีเจ้าของ2คนนั้นหันหลังเดินตามกันไปทางหน้าไร่ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเด็กคนนั้นเดินกระเพกแต่นั่นมันอะไรกันชายแขนด้วนกับเด็กหนุ่มเดินลอยคล้ายๆกับเท้าแต่ไม่ถึงพื้นกิริยาอาการที่เดินจากไปราวกับยืนบนแผ่นเลื่อนหรือนั่งอยู่บนเรือที่ค่อยๆเคลื่อนไปในลาน้า ไม่ใช่อาการเดินของคนธรรมดาผมขยี้ตาตัวเองมองตามสองคนนั้นไปผู้ชายแขนด้วนกับเด็กคนนั้นเลื่อนไปอย่างช้าๆจนเกือบจะสุดแนวรัว้วก็จางหายไปกับตาผมอ้า ป, ปากค้างขนลุกเกลียวไปทั้งตัวมองกลับมาตรงที่ชายถือตะพดยืนอยู่ที่ตรงนั้นว่างเปล่าบริเวณประตูรัวนั้นเป็นที่โลง่งไม่มีที่กาบังใดๆทั้งแสงจันทร์ที่สว่างเกือบเท่ากลางวันอย่างนั้น ไม่มีทางที่ผู้ชายคนนั้นจะหลบไปที่ไหนได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีผมหยิกแขนตัวเองให้แน่ใจทั้งหมดว่าที่เห็นเมื่อครู่ไม่ใช่ความฝันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบๆ บ, บอกไม่ถูกว่าเป็นความกลัวหรือความตื่นเต้นลมหนาวยามดึกพัดมาจากเชิงเขารู้สึกเย็นวังเวงเมื่อได้ยินเสียงหมาที่กระท่อมที่พักคนงานหอนขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุย ผมเดินกลับมาที่ชานบ้านนอนห่มผ้าลืมตาพลงคิดอะไรต่ออะไรจนเกือบสว่างได้ยินเสียงไก่ขันแล้วจากนั้นก็ม้อยหลับไปอย่างไม่รู้ตัวตื่นขึ้นอีกทีตอนสายได้กลิ่นกาแฟหอมฉุยลอยมาจากในครัวเพื่อนสองคนคงตื่นนานแล้วเพราะว่าเห็นกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กๆ ก, ก, กับเท้าของกองอยู่ตรงมุมหนึ่งอย่างเรียบร้อยผมนึกได้ว่าเมื่อคืนก่อนแยกกันไปนอนเรานัดกันว่าจะกลับเข้ากรุงเทพกันแต่เช้า สองคนนั้นคงเกรงใจไม่อยากปลุกผมผมรีบเข้าห้องน้ําจัดการกับตัวเองอาบน้ําเย็นๆทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นบ้างเอ็งเป็นไรวะนอนตื่นสายแต่ว่าหน้าตายังก็ไม่ได้นอนมาทั้งคืนเสียงวิโร์เพื่อนของผมถามขึ้นตอนผมออกจากห้องน้ําผมฝืนยิ้มแล้วพวกเอ็งกินข้าวเช้ากันหรือยังล่ะผมถามในฐานะเจ้าของบ้านที่ดีโอ้ยตั้งแต่เช้าแล้วแทนข้าต้มข้าต้มให้เนี่ยยังเหลืออยู่บนเตาในครัว เดี๋ยวเองกินซะก่อนค่อยกลับกันวิโรธว่าอืมไม่ละ่ะยังไม่หิวไปเลยก็ได้เดี๋ยวจะสายมากนี่กี่โมงแล้ววะเกือบสิบโมงแล้วฮะเกือบสิบโมงแล้วเหรอผมเก็บข้าวของเสร็ท้ายรถจนเสร็จเราก็เตรียมออกเดินทางกลับผมหยิบแบงค์ใบละร้อยสามใบส่งให้เจ้าแทนคนงานแทนเดี๋ยววันนี้เข้าตลาดฝากซื้อไก่ต้มมาสักตัวเหล้าขาวหนึ่งขวดที่เหลือเก็บไว้ซื้อยาสูกวันศุกร์จะเข้ามาใหม่นะ เจ้าแทนรับเงินจากผมทำหน้าประหลาดใจนายกำลังจะกลับไม่ใช่หรอไก่กับเหล้านะ่เอามาไหว้สารตรงริมรัว้วเอาดอกไม้ทูกเทียนมาด้วยนะผมสั่งหนุ่มคนงานมีสีหน้างงๆนายนึกยังไงขึ้นมาเจ้าแทนหยุดคิดครู่หนึ่งอมยิ้มทำหน้าทะเลนนายจะแก้บนละสิท่าดีเหมือนกันเย็นนี้แก้บนของนายเสร็จผมจะได้กินแกงไก่แก้มเหล้าลาบปากแท้ๆเลย ก่อนรถจะออกเจ้าแทนเหมือนเพิ่งนึกได้ยื่นหน้ามาข้างหน้าต่างพอผมหมุนกระจกรถลงบันกระสิบว่าถึงโค้งนั่นเนี่ยขับดีๆนะนายเมื่อวานนี้ตอนหัวค่ำรถบรรทุกข้าโพดแหกลงไปคันหนึ่งคนขับกับเด็กรถเนี่ยตายทั้งคู่ไอ้คนขับโดนอะไรก็ไม่รู้แขนขาดกระเด็นพวกเก็บศพมายังหาแขนมันไม่เจอเลยเมื่อเช้าอ่ะผมไปซื้อยาเส้นร้านเยบุญริมถนนหน้าวัดค้าเลาให้ฟังอา้า ทำไมนายทำหน้าอย่างนั้นล่ะผมสะดุ้งวาบคนลุกสู้นึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนพอขับรถมาถึงประตูรั้วผมหยุดรถอยู่ครู่หนึ่งหันหน้าไปที่สารไม้เล็กๆยกมือไหว้ในใจก็นึกถึงคนถือตะพด